คำว่าจักขูเนี่ยถ้ายแยกละเอียดลึกมาก็มามาจากจักข่าธาตุนะจักข่าธาตุนี้มีอัตถาว่าชอบหรือแปลว่ายินดีก็ได้เหมือนคําว่าคนเนี่ยชอบน้ําผึ้งหรือว่าชอบกับข้าว้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสในมาคันธยะสูตรมชิมนิกายว่ามาคันธยะจักขู่แลมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปอันรูป ให้บันเทิงพร้อมแล้วเนี่ยนะตาเนี่ยมันชอบดูรูปจริงๆริงนี่ถ้าลองปิดไม่ให้มันดูอะไรสักหน่อยนะแล้วก็แม้ไปที่ไหนสักแห่งที่แม้คนก็พูดถึงกันเยอะนะเสร็จแล้วเขาปิดตาเราไม่ให้เราเห็นเนี่ยมันมันก็ชอบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจากโคเนี่ยมันแปลว่าชอบก็ได้เพราะมันชอบดูแต่ถ้ามันดูอะไรที่มันไม่มีลวดลายมันก็ไม่ชอบเหมือนกันไหมสมมติดูแผ่นทองหมดเลยมันไม่มีลวดลายนะแผ่นทองหมดเลยถามว่ามันชอบไหม ชอบมันต้องมีลวดลายไหนมันก็จะดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละพันที่ใช้คาว่าจักขุมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปอันรูปให้บันเทิงพร้อมแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็คืออัฐะของอจักขะจักขาธาตุหรือที่ที่จักขุที่แปลว่าชอบเนี่ยนะถ้าอธิบายแบบนี้ตามพุทธพจน์นี้ทำให้เห็นสัจจะเพิ่มขึ้นอิด คือตัวจักรโเนี่ยนะโดยสัจจะเป็นทุกสัตว์แต่ถ้าจักรโเนี่ยมันในฐานะว่ามันชอบอ่ะมันชอบที่จะได้ไปดูต่อไปอ่ะนะเธอว่าเป็นเป็นอะไรเป็นทวารเป็นเครื่องมือของตันหาเพราะฉะนั้นจักรโคซึ่งมันเป็นผลของตันหาแต่ก่อนใช่ไหมทีนี้จักรโคอันนี้เกิดขึ้นอ่ะเพื่อเป็นเป็นที่รองรับตันหาอันใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ ตัหาอันนี้แหละจะสร้างจากักขูต่อไปอี ก, ก น, นะเพราะฉะนั้นถ้าเพลิดเพลินในการดูก็ก็หายาหยดตาเอาไว้ด้วยไม่รู้อะไม่รู้ตาแบบไหนอีกก็ไม่รู้นะมีคำท้วงว่าถ้าเช่นนั้น โดยพระดํารับเมียที่ว่าดูก่อนมาคันธยะโสตะแลมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียงอันเสียงให้บันเทิงพร้อมแล้วดังนี้แม้โสตะเป็นต้นก็มีความชอบในเสียงเป็นต้นเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อโสตะสัพท์เป็นต้นแม้เหล่านั้นด้วยสับว่าจักขูกก็ย่อมถูกต้องอนะนะคนที่เขาจะอาศัยศัพท์แล้วก็อาศัยศัพท์ตามพุทธพจน์นะที่จะโต้แย้งอ่ะเขาก็หาช่องมาจนได้แหละ ก็เฉลยว่าไม่ถูกเพราะศัพท์ว่าจักขูเป็นศัพท์สําเร็จคือเป็นศัพท์เฉพาะอนะที่มันแปลว่าชอบหูมันไม่ได้แปลว่าชอบเนี่ยนะแต่ว่าถ้ากล่าวโดยตามทวาน่ะมันเป็นทวานที่ยินดีในเสียงแต่ว่าอศัพ์ว่าโสตะมันไม่ได้แปลว่าชอบอะไรหรอกจริงอยู่จักขูศัพท์นี้เฉพาะในจักขูภาษาท่อันมีความผ่องใสแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรมซึ่งมีความต้องการเพื่อจะดูเป็นเหตุเป็นลักษณะเท่านั้น ดูดสท์ว่ามายุระเป็นต้นมายุระนี้แปลว่าอะไรนกยูงอ่ะนะมายุรามายุรีกลุ่มนี่แหละมีอ่ะนะซึ่งมีอัตถะเฉพาะนกพิเศษนะถ้าใช้นะว่ามายุระเนี่ยมันก็เป็นนกพิเศษที่ไม่เหมือนนกอย่างอื่นคือนกยูงเหมือนกันนี่ก็เหมือนการจักสุสัมมุ่งเอาที่จักขู่ภาษาทะาเท่านั้นจักขู่ภาษาท่านี่เป็นความผ่องใสของมหาภูตรูป ถ้ามหาภูตรูปไม่ผอนะ่องใสนะการเห็นจะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจากครูภาษาถ้าเป็นความผ่องใสของมหาภูตรูปมหาภูตารูปอันนั้นเกิดจากกรรมกรรม น, นั้นเกิดจากตัณหาที่ต้องการจะดูเป็นเหตุเมื่อก่อนเนะี่ยเห็นคําอธิบายแบบเนี้ยกว้างๆแบบนี้นะทำไมอธิบายจะยืดยาวเลยเราก็ไม่ค่อยชอบ แสดงว่าเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยฝ่ปัญญา<ม>เห็นอะไรที่มันถ้าเยอะหน่อยนะหเห็นสนุกเลยแล้ววิชาที่ง่วงที่สุดคือพิธามงั้นไงแล้วก็กรรมอันนั้นที่เคยทำเอาไว้นั้นคนอื่นมาเรียนนี่ก็ก็จะทำตาให้เห็นด้วยเองทำเหตุไว้ไม่ดี เนี่ยตอนหลังเวลาเรียนธรรมะเรียนอะไรเนี่ ย, ยต้องหูตามสว่างหน่อยจะได้ไม่ได้ทำเหตุประเภทนั้นเอา ไ, อาไหมทำไมนะจักขู่เนี่ยถ้าว่าให้ตรงๆอ่ะเนี่ยแปลว่าความพอภาษาธ่าแปลว่าพ่องใสจักขะนี่แปลว่าอะไรเม่อก็บแปลว่าบอก อันนะ้อย่างหนึ่งหรืออแปลหนึ่งบอกว่าชอบอนนะความใสที่มันบอกหรือความใสที่มันชอบก็ได้มันชอบอะไรก็ชอบรูปเนี่ยนะทีนี้ถ้าใช้คาว่าผ่องใสอะไรมันใสละ่ะอะไรมันทำให้ออ อ, อ, อบอกหรืออันนี้พวกนี้มันใสขึ้นบอกว่ามหาภูตรูปคือปฐวีอาโปเตโช วาโญเนี่ยนะมันเป็นความใสของมหาภูตรูปนะแล้วมหาภูตารูปอันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมกรรมเนี่ยมาจากกรรมไหนกายกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้มโนกรรมก็ได้เนี่ยนะเขบอกว่าโดยเฉพาะไอ้มโนกรรมเนี่ยเป็นยังไง ถ้าถ้าจักขู่นะที่ที่ทำให้เกิดจักขู่ภาษาทะมันก่อนไปดูมงคล38มีบทนึ่งว่าสมนานันจะทัศนังอ่านะเอะตมังคลมุตตะมังเนี่ยนะทัศนะคือการเห็นการเห็นใครการเห็นสมณะสมณะคือผู้สงบจากบาปมีราคะเป็นต้นเป็นมงคล ทีนี้ท่านก็บอกว่าการเห็นเนี่ยบอกว่าเห็นกายกรรมก็คือการกราบอัญเชลีเนี่ยนะการกราบการอัญเชลีการเชื่อเชิญการลุกรับวจีกรรมก็คือการกล่าวต้อนรับโอภาปราศัยอะไรก็ว่าไปถ้าไม่ได้จริงๆก็มนโนกรรมทํำยังไงก็บอกว่ามองด้วยจิตที่ศรัทธา นนะมองด้วยจิตที่ศรัทธาหรือเลื่อมสายเนี่ย น, นะก็บอกว่าจิตที่ศรัทธาเลื่อมสายอะ่ะทำให้จักโขเนี่ยดีว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากตาดีนะอย่ามองคนอื่นด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร น, น, นะนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเหลมองเป็นยังไงอนาคตชาติหน้าตาเหลทั้งชาติน่ น, น, น, นะถ้าทลึงตามองอะ่ะเคยเห็นคนตาแบบถลึงมเนะี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ตอนทำกรรมยังไงนะ ผลของมันมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีเอาไว้เป็นบาปแก่ตัวเปล่ า, ลาทีนี้ต่อไปกรรมอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาที่มีความปรารถนาะจะดูนีน่อันนี้สมูทัย สัจจะเนี่ยนะกรรมอันนี้ก็เป็นสมุทัยเฉยๆเป็นเหตุมหาภนะูตรูปเนี่ยนะเป็นทุกขสัจเนี่ยนะในในประโยคเมื่อกี้นะพูดทั้งทุกขสัจกับสมุทัยสัจพูดทั้งกรรมและผลของกรรมเอาไว้เรียบร้อยเลยเนี่ยนะหนันจากขู่นี้แปลว่าชอบ ความใสอันนี้ชอบแต่เป็นความความชอบที่เกิดจากมหาพูดมหาพูดเกิดจากกรรมกรรมเกิดจากตันหารูปประตันหาเพราะฉะนั้นก็ชอบมากที่จะดูรูปเห็นไหหรือใครไม่ชอบเห็นบ้างงั้นว่างๆก็เลยต้องเปิดทีวีนะให้มันรับภาพทั่วไปหมดแต่ถ้าไม่ได้ดูมันก็เงาเหมือนกันนะ พูอย่างนี้ยังก็ว่ามีที่กูตีนั้นไม่มีหรอกเปิดก็มีอะไรคอมพิวเตอร์ตัวหนังสือเต็มจอไปหมด ม, ม, มันแปลว่าอะไรแล้ไม่ดูก็ได้ไม่เสียเวลาไม่พ ล, ล<อ>าดอะไรสักอย่างโอ้โอ้อต้องมีอะกร้นะ <c oughs> อีกในหนึ่งนะี่ยคว่าจากักระนี้หมายถึงก้อนเนื้อที่กําหนดด้วยกระดูกคิ้วท่านเรียกว่าจากักระเพราะว่าเป็นไปกับร่วมกับจักสุคือคําว่าจากักระตัวนี้นะจักขระภาษาทมันเป็นไปร่วมกับสะสัมภาระจักสะนะที่นับถึงกระดูกกระบอกตานะนั่นนะกระดูกคิ้วนะแสดงว่าแพ่งไปที่ข้างบนนนะก็หมายถึง ภาษาท่าที่เกิดร่วมกับสสัมภาระความสายที่เกิดร่วมกับรูกปตปาอันนั้นเรียกว่าจักขโหภาษาทะแต่ในอัตกรถาสัมโมหวิโนธนีเนี่ยนะพระตกถาจารย์ไค้ครวนว่าความที่ธาตุทั้งหลายมีอัตมากมายแม้จักรคติศัพท์มีอัตว่าแสดงก็ย่อมมีอันนี้อัตที่สนะี่นจึงกล่าวว่าธรรมชาติเชื่อว่าจากักรโหปาะถาว่าบอกคือแสดงรูปให้แจม่มแจ้งอันะ เพราะฉะนั้นความหมายนี้คือแปลว่าแสดงนั่นเองนะนะแสดงแสดงว่าไงแสดงให้เห็นนะแสดงให้ดูนะ แ, แ, แต่ถ้าไม่มีจักขู่ราษาท่านี่ก็อดเลยนะนะอดที่จะรับภาพเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสเห็นหน้าคุณวิลาวันอยู่แล้วถ้าไม่มีจักขู่เนี่ยนะมมีจักขู่เป็นตัวแสดงให้เห็นคุณวิลาวันเนี่ยอดเลยจาทาไม เอก้กุศลก็เป็นมนุษย์นี่สุขติภูมิเนี่ยแสดงว่ากุศลล้วิบากอยแล้วที่เห็นขอบคุณครับพี่จักขูศัพท์นี่สรุปว่ามีสในนะในบอกว่าชื่อว่าจาักขู่หมายถึงบอกที่สองหมายถึงชอบสามหมายถึงเกิดร่วมกับ ส, สัสมภาระเนี่ยนะเป็นสัสัมภาระหรือเป็นไปกับ ส, สัสมภาระสี่แปลว่าแสดงเนี่ยนะมีอยู่สในด้วยกันทีนี้จกักขูวิญญาณบ้างนะบอกว่า วิญญาณในจักสุเพราะอาศัยจักสุนั้นเพราะเหตุนั้นวิญญาณ น, นั้นจึงชื่อว่าจักขู่วิญญาณเนี่ยนะก็วิธีที่เขาเออค่าเขาเรียนในปริเชษหนึ่งแรกๆเขาจะท่องนี้ว่าอุเปขาสาฆาตังจักขู่วิญญาณนางจิตที่อาศัยจักขูว่าถุนะเกิดร่วมกับความเฉยๆเยนี่ยนะเขาก็จะท่องอย่างงี้นะคุณทุจินท่องแรก อ, อ๋อไปท่องมัน มันชูท่องได้แล้วนะในเมื่อก่อนน่ะที่เคยไปเรียนนะนะตอนไปเรียนไม่ท่องอ่ะอุปคลาสหาคตางจากคูวิญญาณังจิตที่อาศัยจากคูวัตุรู้รูปอารมณ์ที่ดีและไม่ดีเกิดร่วมกับความเฉยเยเนี่ยก็ว่าไปก็นั้นก็หมายถึงจากคู <mister tumors> จักคติเป็นต้นเนี่ยหมายถึงตัวตานะไม่ใช่จก ah ักขวิญญาณนะที่ที่กล่าวไปนะว่าจักขูศรีนายหมายถึงตัวตาจริงๆนะไม่ใช่หมายถึงจักขวิญญาณนะหมายถึงไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะเท่ากับอะไรดีเท่ากับไข่หานนี่ไม่ใช่แน่นะเพราะในจักขูอันนั้นเนี่ยความใสอันนั้นเนี่ยหมายความว่าบอกก็ได้หรือหมายความว่าชอบก็ได้ก็คําว่าจักขะจักคาบเนี่ยหมายถึงชอบ แต่ถ้าในที่3มบอกว่ามันเป็นสะสามภาระส่วนในที่สียจักคติตัวนั้นแปลว่าแสดงอันนี้หมายถึงตัวจักขูภาษาธะหมายถึงลูกตาตานะหมายถึงตัวตาเลยไม่ใช่ยายนะส่วนไอ้วิญญาณที่อาศัยจักขูเกิดอันนั้นะเรียกว่าจักคูวิญญาณคือจัคขูก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งอนะแต่จิตอันนี้อาศัยจักขูวัตถุ จริงอย่างนั้นจักคูวิญญาณ น, นี้ท่านอัตถกถาจารย์แสดงไว้ในอัตถสารีนีคืออัตถกถาธรรมสังคีนีว่าจักขคูสันนิสิตรูปวิชานานลนักษณงแปล ว, ว่ามีการรู้แจ้งรูปอาศัยจักขคูเป็นลักษณะหรือแปลสำนวนหนึ่งว่าอาศัยจักขคูแล้วรู้แจ้งรูปคือแล้วแต่จะแปลนะว่า มันอาศัยจักขู่ก่อนมันจึงเกิดมันจึงเห็นรูปหรือว่ามันเห็นรูปก่อนมันจึงอาศัยจักขู่เขาตั้งคำถามแบบนี้นะไม่ควรตั้งอ่ะมันพร้อมกันนั่นแหละนะคำแปลตรงนี้บอกว่ามันรู้แจ้งรูปอาศัยจักขู่หรือว่าอาศัยจักขู่รู้แจ้งรูปมันก็ได้ทั้งนั้นแต่โดยทั่วๆไปเขานิยมแปลว่าอาศัยจักขู่และรู้แจ้งรูปนิยมแปลแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันรู้แจ้งรูปแล้วเพราะอาศัยว่าจักขู่อันนี้ก็แปลได้ก็ไม่ผิดอะไร แม้ในโสตวิญญาณเป็นต้นก็พึงทราบ ว, วิเคราะห์เป็นต้นตามสมควรอย่างนี้โดยบทว่าตาฐานนั้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงความที่จิตนั้นสหรคตด้วยอุเบกขานี น, นะคือคําว่าตาาหมายถึงว่าโสตคานะชิวหาก็เหมือนกันนะเน่ยวัตถุจิตเหล่านี้อาศัยอขออภยัยจิตเหล่านี้เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาทีนี้หูเลยนะโสต ตัวหูจริงๆเลยโศต่าพราะอัฏาว่าเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณคือได้ยินน่ะนะคือตัวหูจริงๆอะ่ะมันเป็นที่อาศัยให้ได้ยินน่ะนะประโยชน์ของมันเท่านั้นแหละธรรมชาติที่ชื่อว่าคานะพระอาฏฐาวาสูตรคือทําการถือเอากลิ่นนะ่ะนะตัวที่ถือเอากลิ่นอะ่ะตัวนั่นแหลคนะคณะ รสะที่เป็นเหตุแห่งความเป็นอยู่ชื่อว่าชีวิตธรรมชาติที่ชื่อว่าชีวหาโดยนิรุตินัยพระอาธาว่าเรียกร้องชีวิตนั้นไว้เพราะความน้อมไปในชีวิตนั้นเขาบอกว่าคนถ้าไม่อยากกินเสยอย่างเดียวนี่แสดงว่าไม่อยากได้ชีวิตแล้วใช่ไหมให้อาหารไปก่อ็ไม่เอาไม่กินไม่กลืนไม่อยากได้ไม่ต้องการเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนนั้นไม่ต้องการชีวิตแล้วนะตัดอาหารแล้วนะบอกเลิอกอาหารแสดงว่าไม่ต้องการชีวิตเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการชีวิตเนี่ยทวารลิ้นนั่งร้องเรียกหาชีวิตเพราะฉะนั้นไอชิวหาตัวนี้เนี่ยนะก็ก็ลักษณะบอกชีวิตบวกอวหานะก็เลยสําเร็จรูปเป็นชีชวหาอวหาแปล ว, ว่าสแสวงห า, ห, าหรือร้องก็ร้องเรียกก็ได้ร้องเรียกอะไรร้องเรียกหาชีวิตไอชิวหาแปล ว, ว่าร้องเรียกหาชีวิตเนี่ยนะแต่ถ้าไอตัวนี้มันเลิกร้องเรียกเมื่อไหร่นะก็ยุ่งเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้คําว่ากายบ้างนะกายยศ ชื่อว่ากายแปลว่าบ่อเกิดสับนะกายยะนี้แปลว่าบ่อเกิดคือเป็นที่เป็นไปแห่งบาปประรรมอันบันดิตเกลียดคําว่า้คําว่าบ่อเกิดเนี่ยบ่อเกิดอะไรบอกบ่อเกิดของโลภะโทสะและโมหะนะคำว่าบ่อเกิดตรงนี้นะกายเนี่ยเป็นบ่อเกิดของกิเลสว่างั้นจริงอยู่กายยินรียเป็นเหตุพิเศษแห่งบาปประรรมทั้งหลายอันเป็นไปด้วยอํานาจความยินดีโพธพารมนั้น กิเลสที่มันเกิดเพราะเพลิเพลิในโพธะะนะและบาปประทมทั้งหลายอันมีกายภประาธาตุนั้นเป็นมูลเพราะมีอันยึดโพธะะเป็นภาวะของตนเพราะฉะนั้นกายยินรียนั้นอันบัณฑิตย่อมถือเอาดุจที่เป็นไปแห่งบาปประธรรมเหล่านั้นเห็นไหมก็ทวานกายเนี่ยนะเป็นทวานที่ทําให้สัตว์เนี่ยบาปไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นคําว่ากายแปลว่าที่เกิดหรือว่าที่เป็นไปของบาป นนคือถ้าอย่าง ก, กิเลสจะเกิดก็อาศ okay. ัยทวารกายนั่นแหละเกิดมากนะโลภะโทสะโมหะนี่อาศัยทวารกายเนี่ยเกิดมากเย็นเกินไปก็ไม่ชอบร้อนเกินไปก็ไม่ชอบอันนั้ลยหิวหรือกระหายหรือสรุปว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกิเลสเนี่ยสารพัดชนิดเลยนะเพราะฉะนั้นความหมายคําว่ากายอันแรกหมายถึงบ่อเกิดของบาปหรือบ่อเกิดของกิเลส ในที่สองว่ากายพร้อมทั้งสัมภาระชื่อว่ากายพระถ า, าว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งส่วนที่น่าเกลียดทั้งหลายมีผมเป็นต้นคำว่าในที่สองอ่ะนะหมายถึงว่าบอ่อเกิดของสิ่งที่น่าเกลียดคือคือในร่างกายนี่นะอะไรก็ตามถ้ามันเกิดจากกายนี่สิ่งนั้นน่าเกลียดหมดเลยเพรา ะ, ะนั้นคำว่ากายเนี่ยบอ่อเกิดของสิ่งที่น่าเกลียด